สรางลัดไปสู่ความเด่นโดยโลเวลทอมัสเมื่อคืนอากาศหนาวจัดของฤดูหนาวคืนหนึ่งในเดือนมกราคมปีที่แล้วมีชายและหญิง 2,500 คนพากันมาเบียดเสียดยัดเยียดอยู่ในห้องโถงของโรงแรมเพนซิเวเนียในนครนิวยอร์กที่นั่งซึ่งสามารถจะใช้ได้ทุกที่มีคนนั่งไม่มีเหลือ เมื่อเวลาสิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีตอนเวลายี่สิบนาิกายังคงมีฝูงคนผู้เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นพากันไหลเข้ามาไม่ขาดสายคนเบียดกันแน่นที่ระเบียงขนาดกว้างต่อมาอีกที่ว่างซึ่งพอจะใช้ยืนได้มีผู้ยืนเต็มหมดและหลายร้อยคนของเหล่านี้ต่างได้รับความเหน็ดเหนื่อยมาจากธุรกิจประจำวันแม้กระนั้นยังพากันมายืนถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งในคืนที่กล่าวนี้ เพื่อมาดูท่า น, นรู้ไหมว่ามาดูอะไรการแสดงแบบเสื้อกระมังการแข่งขันจักรยานหกวันติดติดกันหรือการปรากฏตัวให้ประชาชนเห็นของค้าเกเบิลกระมังไม่ใช่ทั้งนั้นคนเหล่านี้ถูกชักจูงให้แห่กันมายังสถานที่นี้เนื่องจากได้อ่านโฆษณาในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเมื่อตอนเย็นของสองวันมาแล้ว เขาเหล่านี้ได้พบประกาศเต็มหน้าในหนังสือพิมพ์ New York นิวยอร์กซันเพิ่มรายได้ของท่านให้สูงขึ้นศึกษาการพูดให้เป็นที่จับใจเตรียมตนเพื่อเป็นหัวหน้าเป็นเรื่องเก่าๆหรือถูกแล้วแต่ท่านเชื่อไหมว่าในฐานานครนิวยอร์กเป็นเมืองที่มีผู้เฉลียวฉลาดเชี่ยวชาญมากที่สุดในโลกซึ่งในระหว่างภาวะเศรษฐกิจตกต่า พลเมืองของนคร น, นี้เพียง 20% เอร์เซ็น์เท่านั้นที่ต้องการความช่วยเหลือในการบรรเทาทุกข์แม้กระนั้นยังมีประชาชนถึง 2,500 คนออกจากบ้านตรงรี่ไปที่โรงแรมเพนซิเวเนียเนื่องจากได้อ่านแจ้งความที่กล่าวแล้วอย่าลืมว่าแจ้งความนี้มิได้ลงในหนังสือพิมพ์กระจอกงอกก้อยแต่ลงในหนังสือพิมพ์เวลาเย็นที่มีหลักฐานมั่นคงที่สุดในเมืองนี้หนังสือพิมพ์นิวยอร์กซัน และประชาชนที่พากันแห่มาตามประกาศนี้ล้วนเป็นบุคคลชั้นดีในวงธุรกิจกล่าวคือผู้อยู่ในตำแหน่งชั้นหัวหน้าเสมียนพนัก ง, งานและผู้ดำเนินอาชีพต่างๆซึ่งรายได้ของคนเหล่านี้จากปีละสองพันเหรียญถึงห้าห0ื่นเหรียญชายและหญิงเหล่านี้ต่างแห่กันมาเพื่อฟังปาทกถาที่จะเปิดให้มีขึ้นปาทกถาเรื่องไมเอี่ยมที่สุด และสามารถจะใช้ปฏิบัติได้ผลอย่างล้าเลิศคือเรื่องการพูดให้เป็นที่จับใจและจูงใจคนในวงธุรกิจเป็นหลักสูตรการศึกษาที่จะแสดงโดยสถานศึกษาเดลคาเนกี้แผนการพูดให้เป็นที่จับใจและมนุษยสัมพันธ์เหตุดใดชายและหญิงในวงธุรกิจ 2,500 คนจึงพากันมาที่นั่น เพราะว่าคนเหล่านี้ต่างมีความกระหายอย่างปุบ ป, ปับกระทันหันที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อความก้าวหน้าในวาระเศรษฐ ภ, ภัยกำลังคุกคามกระมังไม่ใช่อย่างแน่ๆค่าที่การศึกษาเพื่ออาชีพต่างๆนักศึกษาได้เล่าเรียนกันอย่างหนาะแน่นทุกๆฤ ด, ดูตามสถานศึกษาทั้งหลายในนครนิวยอร์กตลอดเวลา24ปีที่ผ่านไปในระหว่างเวลาที่กล่าวนี้ เดลคานิกกี้อบรมนักธุรกิจและผู้ดำเนินงานอาชีพต่างๆมาแล้วเป็นจํานวนกว่า 15,000 คนแม้แต่บริษัทการค้าใหญ่ๆและมีหลักฐานมั่นคงเป็นต้นว่าบริษัท Westinghouse Electric and Manufacturing บริษัทสำนักพิมพ์ McGraw-Hill บริษัท Brooklyn Union Gas Brooklyn Chamber of Commerce American Institute of l e c t r i c Engineer และบริษัทนิวยอร์กเทลิโฟนต่างเปิดการศึกษาวิชานี้ขึ้นในสำนักงานทำการอบรมสมเียนพนักงานและเจ้าหน้าที่ชั้นหัวหน้าของตนเพื่อให้เขาเหล่านี้ได้รับวิชาความรู้เพิ่มเติมทั้งนี้ก็เพราะคนเหล่านี้ภายหลังออกจากโรงเรียนมัธยมสามัญมัธยมชั้นสูงหรือวิทยาลัยมาเป็นเวลาสิบปีหรือยี่สิบปีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาหาความรู้ในวิชานี้ เนื่องจากสถานศึกษาของเรายังให้วิชาความรู้แก่นักเรียนขาดตกบกพร่องอย่างน่าอนาจใจชายหญิงต้องการจะศึกษาวิชาอะไรบ้างเป็นปัญหาที่มีความสำคัญยิ่งปัญหาหนึ่งและเพื่อหาคำตอบมหาวิทยาลัยแห่งชิคาโกสมาคมการศึกษาผู้ใหญ่อเมริกันและโรงเรียนวายเอมแห่งสหรัฐอเมริกาใช้เงินสอ0 0มหนเหรียญในการสารวจซึ่งกินเวลาถึงสองปี ผลของการสำรวจปรากฏว่าสิ่งที่ชายหญิงสนใจอย่างสูงสุดก็คือการมีสุขภาพสมบูรณ์ปรากฏด้วยว่าอันดับที่สองที่เขาทั้งหลายสนใจก็คือการสร้างความสามารถเชี่ยวชาญในมนุษยสัมพันธ์กล่าวคือเขาเหล่านั้นปรารถนาที่จะศึกษาเทคนิคที่จะเข้ากับผู้อื่นและสามารถจะทำตนให้เป็นผู้ถูกอกถูกใจผู้อื่นหรือจูงใจผู้อื่น เขาเหล่านั้นไม่ปรารถนาจะเป็นนักปราชกถาที่เก่งกล้าสามารถและเขาไม่ปรารถนาที่จะฟังการบรรยายอันไพเราะเรื่องจิตวิทยาเขาต่างต้องการที่จะสดับรับฟังข้อแนะนำต่างๆซึ่งเขาสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้ผลในทันทีทันใดในวงธุรกิจในการสังคมและในบ้านนี่แหละคือสิ่งที่ชายหญิงทั้งหลายต้องการอย่างยิ่งที่จะศึกษาดีแล้ว ผู้ที่ทําการสํารวจกล่าวเหมาะแล้วถ้าเขาเหล่านั้นต้องการสิ่งนี้เราก็จะให้เขาตามความปรารถนาแต่ครั้นเขาเหล่านั้นค้นดูหนังสือตําราเพื่อใช้เป็นคู่มือในการสอนเขาพบความจริงว่าไม่มีตําราชนิดนี้เคยแต่งขึ้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาประจําวันเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์นับว่าเป็นเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายที่น่าขันเอาการอยู่เพราะว่า นับตั้งหลายร้อยหลายพันปีมาแล้วตำราเพื่อการศึกษามากมายได้เขียนขึ้นเป็นภาษากรีกและลาตินและเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ยักษ์ตำราซึ่งหนุ่มสาวทั่ ว, วไปเบื่อหน่ายระอิดระอาและไม่ต้องการกล่าวขวัญถึงแต่สําหรับเรื่องหนึ่งซึ่งเขาต่างกระหายที่จะศึกษาสําหรับชี้ทางและเป็นคู่มืออันแท้จริงในการดําเนินชีวิตประจําวันกลับไม่มีเลย นี่คือคำอธิบายว่าเหตุใดชายหญิงผู้มีความกระตือรือร้อนนับเป็นจำนวน 2,500 คนจึงได้มาเบียดเสียดเยัดเยยดกันในห้องโถงของโรงแรมเพนซิลเวเนียตามโฆษณาชักชวนในหนังสือพิมพ์ในที่สุดณสถานที่กล่าวแล้วคนเหล่านี้กำลังจะได้รับสิ่งซึ่งเขาสแสวงหามาเป็นเวลานานที่ไฮสคูลและวิทยาลัยชายหญิงเหล่านี้ก้มหน้าก้มตาศึกษาตำรับตาราต่าง อย่างมานาภาคเพียนด้วยความเชื่อถือว่าวิชาความรู้เหล่านั้นคือคาถาวิเศษที่จะนําเขาไปสู่ความสําเร็จในทางการเงินและการงานครั้นเขาเหล่านี้ทํางานเพียงไม่กี่ปีในวงการค้าและงานอาชีพต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยความครุขระไม่สม่ําเสมอเขาจึงประจักษ์ความจริงอย่างกระจ่างแจ้งว่าความเชื่อถือของเขาผิดพลาดหมดเขาต่างพบเห็นว่า บุคคลผู้ได้ประสบความสำเร็จอันงดงามในธุรกิจคือบุคคลที่ไม่เพียงแต่มีวิชาความรู้อย่างเดียวหากจะต้องมีความสามารถในการพูดได้คล่องแคล่วจะต้องชักจูงความคิดของผู้อื่นให้คล้อยตามความคิดของตนและจะต้องเป็นผู้ขายตัวของเขาและความคิดของเขาเขาเหล่านี้ได้พบด้วยว่าถ้าบุคคลใดปรารถนาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงธุรกิจ ความสามารถเป็นพิเศษในการพูดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าวิชาภาษาลาตินหรือปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดโฆษณาในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กซันรับรองว่าการประชุมที่โรงแรมเพนซิเวเนียจะเต็มอยู่ด้วยความสนุกเพลิดเพลินอย่างยิ่งมันเป็นเช่นนั้นจริงๆมีชายสิบแปดคน ผู้ได้รับการศึกษาในวิชาที่กล่าวแล้วเดินเรียงกันไปที่เครื่องขยายเสียงและ15คนในจำนวนนี้เล่าเรื่องของเขาเพียงคนละ75วินาทีคนหนึ่งหนึ่งจำกัดเวลาให้พูดได้เพียง75วินาทีเท่านั้นครั้นแล้วกรรมการจะเคาะโต๊ะดังปังและร้องตะโกนว่าหมดเวลาคนต่อไปพูดได้ การแสดงได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วประดุดฝูงควายวิ่งไปตามที่ราบด้วยความตื่นตกใจผู้มาประชุมใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการดูการแสดงนี้ผู้พูดมีอาชีพในวงการค้าของสหรัฐอเมริกาหลายอย่างต่างๆกันผู้มีตำแหน่งฝ่ายบริหารในห้างขายสินค้าเบ็ดเล็ดชนิดมีสาขาทั่วประเทศคนหนึ่งคนทำขนมปังคนหนึ่งประธานของบริษัทการค้าแห่งหนึ่งคนหนึ่งนายธนาคารสองคน คนเดินตลาดขายรถบรรทุกคนหนึ่งคนเดินตลาดขายเวชภัณฑ์คนหนึ่งนายหน้าหาประกันภัยคนหนึ่งเลขานุการของสมาคมอุตสาหกรรมทําอิดคนหนึ่งสมุบัญชีคนหนึ่งทันตแพทย์คนหนึ่งสถาปนิกคนหนึ่งคนเดินตลาดขายวิสกี้คนหนึ่งนักเผยแพร่ศาสนาลัทธิคริสเตียนไซแอน์คนหนึ่งเจ้าของร้านขายยาซึ่งเดินทางมาจากเมืองอินเดียนอาโปริส มาเรียนวิชานี้ที่นิวยอร์กคนหนึ่งทนายความคนหนึ่งซึ่งมาจากกรุงฮาวานาเพื่อมาพูดในการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะและได้รับสิทธิพิเศษให้พูดได้นานสนาทีผู้พูดคนแรกมีนามสกุลเป็นภาษาเกลิกแพทริกเยโอแฮเขาเกิดที่ประเทศไอแลนด์เข้าโรงเรียนได้สิบปีและจึงเดินทางเร่ร่อนมาสู่อเมริกา ที่แรกทํางานเป็นช่างเครื่องยนต์และต่อมาเป็นคนขับรถยนต์เมื่ออายุ40ปีเขามีความจําเป็นที่จะหารายได้สูงขึ้นเนื่องจากครอบครัวของเขาใหญ่ขึ้นด้วยเหตุนี้เองเขาจึงลองจับงานขายรถยนต์บรรทุกตามคําบอกเล่าของเขาเขาว่าเขาเป็นคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานต่อปมด้อยของตนเองจากการเป็นคนขี้ปอด จนเขาต้องเดินกลับไปกลับมาตามหน้าสำนักงานที่เขาจะติดต่อเสนอขายรถบรรทุกตั้งสิบสิบเที่ยวกว่าจะเกิดความกล้าพอที่จะเปิดประตูสำนักงานนำร่างเข้าไปภายในเขารู้สึกท้อใจในงานคนขายรถยนต์จนเขาคิดจะกลับไปทำงานหน้าที่เก่าในโรงงานกลึงแห่งหนึ่งต่อไปใหม่ครั้นแล้ววันหนึ่งเขารับจดหมายเชื้อเชิญให้ไปร่วมประชุมที่สถานศึกษาคาเนกี้แผนกการพูดให้เป็นที่จับใจ เนื่องจากความหวาดกลัวว่าเขาจะไปร่วมอยู่ในสถานที่เดียวกันกับคนที่ได้รับการศึกษาสูงสูงเป็นจำนวนมากซึ่งจะทำให้ตัวของเขาดูเป็นคนที่น่าทุเรศเขาจึงไม่ต้องการไปยังสถานศึกษานั้นเมียผู้เป็นคนเจ้าทุกของเขาโต้แย้งให้เขาไปด้วยการกล่าวคุณจะได้รับประโยชน์ไม่น้อยเลยแพทพระเจ้ารู้ดีว่ามันจำเป็นสำหรับคุณเขาตรงไปยังสถานที่ซึ่งใช้เป็นที่ศึกษา เขาจืนบรีรออยู่หน้าฟุตบาท้านาทีเพื่อทําใจให้กล้าแล้วจึงเข้าไปในห้องนั้นเมื่อเขาเริ่มพูดในครั้งแรกๆความประมาะททาให้เขาถึงกับเียนหัวครั้นเวลาผ่านเลยไปหลายสัปดาห์เขาหายประมาทต่อผู้ฟังและได้พบความจริงว่าเขาเป็นคนรักการพูดในที่ชุมนุมยิ่งคนที่มาชุมนุมมีมากขึ้นเขาจะพูดได้ดีมากขึ้น เขากลายเป็นคนที่ไม่ประมาะสะทสทกสถานต่อบุคคลใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งลูกค้าของเขาเขาหารายได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดพราดในปัจจุบันนี้เขาเป็นดาราคนเดินตลาดคนหนึ่งในนครนิวยอร์กที่โรงแรมเพนซิเวเนียในคืนวันนั้นแพทริกโอแฮได้ยืนเฉพาะหน้าผู้ฟัง 2,500 คนและเล่าเรื่องซึ่งนำเขาไปสู่ชัยชนะด้วยอาการยิ้มแย้มร่าเริง ผู้ฟังหัวเราะครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นระลอกคลื่นตลอดเวลาการพูดและกิริยาท่าทางของเขามีนักพูดอาชีพอยู่เพียงไม่กี่คนที่สามารถทำได้ดีเท่าผู้พูดคนต่อไปชื่อกอร์ฟรีไมเออร์เป็นนายธนาคารผู้มีผมสีเทาเป็นพ่อของลูกส1อดคนเขาเล่า ว, ว่าเมื่อเขาพยายามจะพูดเป็นครั้งแรกในชั้น เขาอ้ำอึ้งกระอึกกระอักเหมือนคนใบ้และคล้ายกับเป็นคนที่ปราศจากความทรงจำใดๆเรื่องที่เขาเล่าเป็นตัวอย่างอันดีเยี่ยมที่แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งหัวหน้ามักจะตกเป็นของบุคคลที่สามารถพูดเก่งเขาทำงานที่ถนนวอและอยู่ที่เมืองคลิปตันรัฐนิวยอร์กมาเป็นเวลา25ปีระหว่างเวลาที่กล่าวแล้วเขาไม่สนใจต่อความเคลื่อนไหวของสังคม และรู้จักคนในเมืองนั้นราวห้าร้อยคนครั้นเขาเข้าเรียนกับสถานศึกษาคานิี้แล้วไม่นานเขารับรายการเสียภาษีเงินได้ซึ่งทำให้เขาเดือดพล่านต่อจำนวนเงินที่เขาจะต้องเสียภาษีสูงอย่างไร้ความเป็นธรรมที่จริงเขาน่าจะนั่งหัวเสียอยู่กับบ้านหรือนำเรื่องนี้ไปบ่นรำพึงรำพันกับเพื่อนบ้านของเขาแต่แทนเขาจะทาดังกล่าวเขากลับสวมหมวกออกจากบ้านในค่าวันนั้น ตรงไปยังที่ประชุมของชาวเมืองแห่งหนึ่งและระเบิดความคับใจของเขาต่อประชาชนผลจากการพูดด้วยความเครี่ยวกราดของเขาประชาชนแห่งเมืองคลิปตันรัฐนิวยอร์ก์พากันกระตุ้นเขาให้สมัครเป็นส ม, นสมาชิกสภาจังหวัดด้วยเหตุนี้เองเขาจึงใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการกล่าวคำปราศัยต่อประชาชนในที่ต่างๆประนามการปฏิบัติงานอันปราศจาสาระของสภาจังหวัด และการใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายของเทศบาลมีผู้สมัครเลือกตั้งทั้งหมด96คนเมื่อการนับคะแนนเสียงได้ผ่านไปปรากฏผลว่ากลอสฟรีไมเออร์นำคนอื่นๆทั้งหมดเขากลายเป็นบุคคลที่มีความเด่นเป็นพิเศษในวงสังคมของเมืองซึ่งมีพลเมือง 40,000 คนผลจากการพูดของเขาภายในเวลา6สัปดาห์เท่านั้น เขามีมิตรสหายและคนรู้จักมากกว่าในระยะเวลา25ปีที่ล่วงมาแล้วถึง80เท่าตัวและเงินเดือนของเขาจากตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดหมายความว่าเขาได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในการศึกษาถึงปีละ 1,000 เปอร์เซนผู้พูดคนที่สามเป็นประธานของบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาหารแห่งชาติขนาดใหญ่เล่าถึงว่า เขาเคยเป็นบุคคลที่ไม่กล้าลุกขึ้นยืนพูดแสดงความคิดเห็นของเขาในที่ประชุมคณะกรรมการจากผลแห่งการศึกษาการรู้จักใช้ความคิดและพูดในขณะยืนอยู่ท่ามกลางชุมนุมชนเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นสองประการกล่าวคือเขาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นประธานของบริษัทและเนื่องจากความสามารถในการพูดของเขาเขาได้รับเชิญให้เป็นผู้พูดในที่ประชุมการค้าตามเมืองต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกา บริษัทขายข่าวโทรเลข a อ s o c i a t e d ส่งคำพูดของเขาบางตอนไปทางโทรเลขและนำลงในหนังสือพิมพ์และนิตยาสารการค้าทั่วประเทศภายในระยะเวลาสองปีหลังจากเขาศึกษาการพูดในที่ชุมนุมสำเร็จแล้วเขาได้รับเงินจากบริษัทสำหรับค่าใช้ใจ่ายในการรับรองและโฆษณากิจการและสินค้าของบริษัทด้วยตัวเลขที่สูงกว่าเมื่อก่อนถึง 250,000 เหรียญผู้พูดบรายนี้ยอมรับว่าเมื่อก่อนนี้ถ้าเขาต้องการจะเชื้อเชิญผู้มีตำแหน่งสำคัญฝ่ายบริหารในธุรกิจที่แมนฮัตตันตอนล่างไปกินอาหารกลางวันกับเขาเขาจะต้องกระอึกกระอักขณะยกโทรศัพท์ขึ้นพูดครั้นหลังจากเขากลายเป็นนักพูดที่เชี่ยวชาญแล้วนักธุรกิจเหล่านั้นกลับเป็นฝ่ายโทรมาเชิญเขาไปกินอาหารกลางวันพร้อมด้วยการขออาภัยเขาที่ทาลายเวลาของเขา สมรรถภาพในการพูดคือทางลัดไปสู่ความเด่นมันสามารถจะนําชีวิตของมนุษย์พุ่งไปสู่ความรุ่งโรจน์เหนือผู้อื่นและเป็นที่รับรองกันแล้วว่าบุคคลใดเชี่ยวชาญในการพูดนับว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติพิเศษเหนือกว่าคุณสมบัติใดๆทั้งหมดที่เขาเป็นเจ้าของในปัจจุบันนี้การศึกษาผู้ใหญ่มีการเคลื่อนไหวกันทั่วประเทศซึ่งบุคคลสําคัญที่สุดในความเคลื่อนไหวนั้นคือเดลคาเนกี เดลคารเนกี้ผู้ฟังและวิจารณ์การพูดของนักศึกษาผู้ใหญ่มากกว่าบุคคลใดในสถานศึกษาทั้งหลายเมื่อเร็วๆนี้เชื่อหรือไม่ริปลี่เขียนการ์ตูนกล่าวขวัญถึงเดลคาเนกี้ว่าได้วิจารณ์การพูดของนักศึกษามาแล้วหนึ่งห้าห่นครั้งถ้าหากท่านเข้าใจว่าตัวเลขจำนวนนี้ไม่มากมายอะไรนักท่านจงคิดถึงว่าถ้าการวิจารณ์นี้มีเพียงวันละหนึ่งครั้ง จะกินเวลานานจากสมัยโคลัมบัสพบอเมริกาจนถึงปัจจุบันหากจะคำนวณอีกอย่างหนึ่งถ้านักศึกษาเหล่านั้นพูดครั้งละสามนาทีให้เดว์แคเนกี้ฟังเพื่อวิจารณ์ต่อเนื่องกันไปโดยไม่หยุดเลยจะกินเวลาตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนหนึ่งปีเต็มวิถีชีวิตของเดว์แคเนกี้ประกอบอยู่ด้วยลักษณะผิดแปลกแตกต่างในสมัยหนึ่งกับอีกสมัยหนึ่งเหมือนหน้ามือกับหลังมือเป็นตัวอย่างอันเด่นชัดที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า บุคคลที่มีความคิดิรเริ่มและมีความทะเยอทยานอันลูกโชดช่วงอยู่เสมอย่อมจะพาตัวเองของเขาไปสู่ความก้าวหน้าอันรุ่งโรธเขาเป็นคนที่ถือกำเนิดมาในไร่ที่รัฐมิสซูรีห่างจากทางรถไฟสิบไมล์เขาไม่เคยเห็นรถลางจนกระทั่งอายุ12ปีครั้นต่อมาภายหลังเมื่ออายุ46ปีเขาเคยท่องเที่ยวตามสถานที่ห่างไกลของโลกมาแทบทุกแหง่ง จากฮ่องกองถึงแฮมเมอร์เฟตดและครั้งหนึ่งเขาเข้าใกล้ขั้วโลกเหนือยิ่งกว่าระยะที่นายพลเรือเอกเบิร์ตตั้งกองบัญชาการในการสำรวจขั้วโลกใต้ที่ลิตเติลอเมริกาในขั้วโลกใต้เจ้าเด็กหนุ่มชาวมิสซูรีคนนี้ครั้งหนึ่งเคยรับจ้างเก็บผลสตอรอเบอรี่และตัดหญ้าเจ้าชู้ด้วยค่าแรงงานชั่วโมงละหเซน มาเดี๋ยวนี้เขาได้รับค่าจ้างนาทีละหนึ่งเหรียญในการอบรมศิลปะการพูดแสดงความคิดเห็นให้แก่เจ้าหน้าที่ชั้นหัวหน้าของบริษัทการค้าใหญ่ๆหลายแห่งเจ้าคนที่เป็นคาวบอยมาก่อนคนนี้ครั้งหนึ่งเคยทำงานต้อนวัวตีตราลูกวัวและเคยขี่ม้าข้ามรั้วด้วยความ ช, นชนานิชานาญในรัฐ ด, ดากตาใต้ครั้นต่อมาภายหลังเดินทางไปกรุงลอนดอน เพื่อแสดงละครภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของมกุฎราชกุมารอังกฤษปรินต์ออฟเวลเจ้าหมอคนนี้ในเบื้องต้นประสบความล้มเหลวในการพูดถ้ำกลางที่ชุมนุมมาแล้วถึงหครั้งและภายหลังเป็นผู้จัดการธุรกิจส่วนตัวของข้าพเจ้าความสำเร็จส่วนมากของข้าพเจ้าได้มาจากการแนะนำสั่งสอนของเดลคาเนกี้นี่เองเมื่อสมัยเป็นเด็กหนุ่มเดลคาเนกี้ดิ้นรนตะเกียกตะกาย ที่จะเป็นผู้มีการศึกษาดีทั้งๆโชคร้ายได้กระหน่ำชีวิตของเขาภายในไร่เท่าแก่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมิสซูรีอยู่ประจำโชคร้ายซึ่งทำให้ชีวิตของเขาประสบความแร้นแค้นและวิบากกรรมปีแล้วปีเล่าน้ำไหลบ่าคลองท่วมเข้าโพดและทำลายทุ่งหญ้าฤดูแล้วฤดูเล่าหมูที่เลี้ยงไวอ้อย่างอ้วนพีเป็นโรคอหิวาตาย ราคาวัวและล่ อ, อ ก, ก็ตกต่ำจนถึงขีดสุดและธนาคารคู่เข็นจะยึดไร่ที่จำนองไว้เสียด้วยความเบื่อหน่ายระอิดระอาอย่างเหลืออดเหลือทนพ่อแม่ของเขาจึงตกลงใจขายไร่นี้เสียและซื้อไร่ใหม่ใกล้ๆวิทยาลัยสเ Teachers c o l l ค g e ณเมืองวอรินเบิร์กรัฐมิสซูรีค่าเช่าที่พักและค่าอาหารในเมืองเพียงวันละเหรียญเดียวเท่านั้น แต่คาเนกี้หนุ่มไม่อยู่ในฐานะที่จะเสียได้เขาจำต้องอยู่ที่ไร่และขี่ม้าเดินทางสามไมล์ไปวิทยาลัยทุกๆวันที่บ้านไร่เขารีดนมวัวตัดไม้เลี้ยงหมูและศึกษากริยาภาษาลาตินโดยอาศัยแสงตะเกียงน้ำมันฐานหินจนเป็นเหตุให้ตาของเขามัวและร่างค่อมต่ำแม้เมื่อเวลาเข้านอนในตอนเที่ยงคืนเขาต้องตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อตื่นตอนสามนาฬกา พ่อของเขาเลี้ยงหมูพันดูร็อกเยอร์ซี่ซึ่งในระหว่างฤดูหนาวอันหนาวจัดเจ้าลูกหมูอาจจะประสบอันตรายถึงกับหนาวตายในตอนกลางคืนได้ดังนั้นจึงต้องใส่เจ้าลูกหมูเหล่านี้ลงในเข่งคลุมด้วยกระสอบปานและวางเข่งนั้นไว้ข้างๆเตาไฟในครัวตามธรรมชาติของลูกหมูเหล่านี้ต้องการอาหารที่ทาให้เกิดความต้านทานเมื่อตอนสามนาฬกา เหตุนี้เองเดลคาเนกี้จึงต้องตื่นเมื่อสิ้นเสียงนาฬิกาปุกคลานออกจากผ้าห่มนอนยกเข่งใส่ลูกหมูไปให้แม่ของมันที่เล้าคอยจนกระทั่งลูกหมูกินนมแม่เสร็จจึงยกกลับมาวางให้ได้รับความอบอุ่นจากเตาไฟในครัวตามเดิมวิทยาลายัยสเตตทสเชอร์คอนเลตมีนักศึกษาทั้งหมด600คนเดลคาเนกี้เป็นคนหนึ่งในบรรดานักศึกษาเพียง 6-7 คนผู้ไม่สามารถจะกินอยู่ในเมืองได้ เขารู้สึกกระดากอายต่อความจนของเขาที่พอวิทยาลัยเลิกเรียนเขาจะต้องขี่ม้ากลับบ้านไร่และต้องรีดนมวัวทุกๆคืนเขารู้สึกกระดากอายต่อเสื้อนอกของเขาซึ่งคับตึงและกระดากอายต่อกางเกงของเขาซึ่งสั้นจนเกินไปเขารู้สึกน้อยเนื้อต่าใจและเกิดปมด้อยอยู่ตลอดเวลาเหตุนี้เองเขาจึงเริ่มมองหาทางลัดที่จะไปสู่ความเด่น เขาสังเกตเห็นนักศึกษาบางคนในวิทยาลัยที่ได้รับการยกย่องและมีหน้ามีตาล้วนแล้วแต่เป็นพวกนักฟุตบอลและพวกชนะการโตวาทีและชนะการแข่งขันการแสดงป า, ากทกถาเขารู้สึกตัวดีว่าเขาไม่มีแววที่จะเป็นนักกีฬาที่เก่งกล้าสามารถในประเภทหนึ่งประเภทใดเหตุนี้เองเขาจึงตกลงใจแข่งขันจิงชัยในการแสดงป า, าทักถา เขาใช้เวลานับเป็นจำนวนเดือนๆเพื่อเตรียมคำพูดในการแสดงปาทขาธขานั้นเขาซ้อมแม้แต่ขณะนั่งอยู่บนหลังม้าควบขี่ไปวิทยาลัยและกลับบ้านเขาซ้อมแม้แต่ในขณะทำการรีดน ม, มวัวและเขาถึงกับจับมัดหญ้าแห้งมัดหนึ่งตั้งขึ้นในโรงเก็บหญ้าและตั้งต้นพูดด้วยใบหน้าแจม่มใสแต่เสียงเผ็ดร้อนดูเดือดและท่าทางขึงขังเด็ดเดียว ถึงเรื่องความจำเป็นที่จะต้องระ ง, งับชาวญี่ปุ่นไม่ให้เข้าประเทศอีกต่อไปถึงแม้ว่าเขาจะมีความตั้งใจแรงกล้าอย่างสูงสุดสักเพียงใดและตระเตรียมคำพูดไว้สักขนาดไหนผลที่เขาได้ประสบก็คือการแพ้แล้วแพ้อีกในตอนนั้นเขามีอายุ18ปีเป็นคนใจน้อยและมีความทะนงเขากลายเป็นคนท้อถอยและหมดกาลังใจจนกระทั่งคิดจะฆ่าตัวตาย ครั้นต่อมาอีกเขาเริ่มประสบชัยชนะไม่ใช่ชัยชนะเพียงหนเดียวครั้งเดียวแต่ชนะทุกครั้งในการแสดงปาทขาแข่งขันที่วิทยาลัยนักศึกษาอื่นๆได้วิ่งวอรเขาให้ช่วยสอนวิธีพูดให้บ้างผลก็คือนักศึกษาเหล่านั้นต่างประสบชัยชนะในการแสดงปาทขาไปตามๆกันครั้นจบการศึกษาที่วิทยาลัย เขาเริ่มทำงานด้วยการหาผู้สมัครเข้าเรียนให้แก่โรงเรียนสอนทางไปรษณีแห่งหนึ่งผู้ที่เขาติดต่อด้วยเหล่านั้นเป็นพวกเลี้ยงวัวอยู่แถบภูเขาซึ่งพื้นดินเป็นทรายทางทิศตะวันตกของรัฐเนบราสกาและทางทิศตะวันออกของรัฐไบโอมิงมาดว่าเขาจะมีจิตใจอันแข็งแกร่งและมีความทะเยอทะยานอย่างสูงกระนั้นก็ตาม เขาไม่สามารถจะปฏิบัติงานนี้ให้บังเกิดผลเป็นที่พอใจในกลางวันของวันหนึ่งเขารู้สึกท้อถอยจนกระทั่งเมื่อมาถึงห้องพักที่โรงแรมในเมืองแอนไลออนรัฐเนบราสกาเขาทิ้งตัวลงไปตามขวางของเตียงนอนครั้นแล้วเขาร้องไห้ด้วยความหมดหวังเขาอยากจะกลับเป็นนักศึกษาที่วิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งเขาอยากจะยอมแพ้ต่อสงครามชีวิตอันครุครกันดาร แต่เขาไม่สามารถทำเช่นนั้นได้สิ่งที่เขากระทําก็คือตกลงใจเดินทางไปเมืองโอมาฮอรรัฐเนบราสกาเพื่อหางานใหม่ทําต่อไปเขาไม่มีเงินสําหรับค่าโดยสารรถไฟจึงอาศัยโดยสารไปกับรถสินค้าโดยทำงานแลกเปลี่ยนค่าโดยสารด้วยการให้อาหารและน้ำแก่ม้าป่าสองตู้รถครั้นมาถึงเมืองโอบาฮอภาคใต้เขาได้งานคนเดินตลาดขายหมูเค็ม สบู่และน้ำมันหมูกับบริษัทอาเมอร์บริเวณที่เขาทําการขายสินค้าที่กล่าวแล้วเป็นสถานที่ธุร ก, กันดารซึ่งมีการเลี้ยงวัวเป็นอาชีพและเป็นถิ่นของชาวอินเดียนแดงอยู่ทางภาคตะวันตกของรัฐดาโกตาใต้เขาเดินทางไปตามสถานที่เหล่านี้ด้วยการอาศัยไปกับรถตู้สินค้ารถม้าและขีม่ม้า นอนพักตามโรงแรมเล็กๆเก่าๆตั้งแต่สมัยปราบอินเดียนแดงซึ่งใช้ผ้ามัสดินกั้นเป็นห้องๆตอนนี้เองเขาศึกษาหนังสือเกี่ยวกับวิชาเสนอขายสินค้าหัดกี่ม้าพยศเล่นโป๊กเกอร์กับพวกอินเดียนแดงและศึกษาวิชาเก็บเงินจากลูกค้าคราวหนึ่งเจ้าของร้านที่ถิ่นกันดานนี้ไม่สามารถจะชำระค่าหมูเค็มและแฮมที่สั่งซื้อเดลคากี้หยิบเกือกมามานึโหลคู่จากหิ้งวางขาย และขายเกือกเหล่านั้นแก่คนงานรถไฟได้เงินมาแล้วจัดการส่งไปให้บริษัทอาร์เมอร์บางครั้งเขานั่งรถตู้สินค้าเดินทางเป็นระยะถึงวันละ100หนึ่งร้อยไมล์ขณะรถไฟหยุดที่สถานีเพื่อเอาสินค้าลงเขาจะรีบกระวีกระวาดไปที่ตลาดในเมืองพบปะติดต่อกับพ่อค้าสามหรือสี่คนรับใบสั่งครั้นเมื่อได้ยินเสียงวูดเขาจะรีบแจวอ้าวไปตามถนน และกระโดดเกาะรถไฟซึ่งกำลังเคลื่อนออกจากสถานีภายในเวลาสองปีเขาได้ทำสถิติการขายสินค้าในถิ่นธุรกันดารจากอันดับที่25มาเป็นอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งในบรรดาคนขายสินค้าผู้ใช้ถนนทั้ง29สายซึ่งแยกออกจากเมืองโอบาฮอภาคใต้ไปสู่ถนนต่างๆบริษัทอาร์เมอร์ตกลงที่จะเลื่อนตาแหน่งและขึ้นเงินเดือนให้เขาด้วยการบอกเขา ท่านปฏิบัติงานเกิดผลดีอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่เขาต้อนรับการเลื่อนตำแหน่งและขึ้นเงินเดือนด้วยการขอลาออกออกจากงานนี้แล้วเขาเดินทางไปนครนิวยอร์ก York, เข้าศึกษานาฏศาสตร์ในโรงเรียนอเมริกันฝ่ายนาฏศิลป์และออกเดินทางกับพวกละครเร่ไปตามเมืองต่างๆโดยเขาแสดงเป็นตัวนายแพทย์ฮาร์ลีย์ในเรื่องพอลลี่แห่งละครสัตว์เขารู้สึกตัวดีว่า เขาไม่สามารถแสดงละครได้เก่งจนมีผู้ดูติดใจหลงไหลเหมือนบูธหรือแบริโมด้วยเหตุนี้เองเขาจึงทิ้งชีวิตการแสดงกลับไปสู่ชีวิตคนเดินตลาดขายสินค้าอีกครั้งคราวนี้เขาเป็นคนเดินตลาดของบริษัทแพกกาดมอเตอร์คาร์ในการขายรถบรรทุกเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์กลไกอย่างใดเลยและไม่สนใจแม้แต่น้อยที่จะศึกษามัน ทั้งๆเขาเบื่อหน่ายงานนี้อย่างที่สุดเขาจำใจปฏิบัติหน้าที่ของเขาตลอดมาเขาปรารถนาอย่างแท้จริงที่จะมีเวลาเหลือเฟือเพื่อการศึกษาค้นคว้าและเพื่อเขียนหนังสือตามความฝันของเขาเมื่อครั้งอยู่ที่วิทยาลายัยเพราะเหตุดังกล่าวเขาจึงลาออกจากงานนี้ตั้งใจจะหาไรายได้เลี้ยงชีวิตด้วยการสอนที่โรงเรียนกลางคืนและใช้เวลากลางวันเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายเขาจะสอนอะไรจากการสํารวจวิชาความรู้ต่างๆ ที่ศึกษามาจากวิทยาลัยเขาตระหนักว่าความสามารถของเขาในการพูดในที่ชุมนุมเป็นวิชาที่สามารถจะบรรดาลจิตใจของเขาให้มีความเชื่อมัน่นมีความแกล้งกล้ามีความรอบคอบสําหรับติดต่อเกี่ยวกับการค้ายิ่งกว่าวิชาความรู้อื่นๆที่ศึกษาจากวิทยาลัยมารวมกันเขา้า เขาไปทาบทามโรงเรียนวายเอในนครนิวยอร์ก York, และรบเร้าให้อนุญาตแก่เขาเปิดแผนกการศึกษาวิชาการพูดในที่ชุมนุมหรือการแสดงปาตกถาสำหรับนักธุรกิจขึ้นที่โรงเรียนนี้อะไรกันนะทำนักการค้าให้เป็นนักปาตกถาหน้าขันทางโรงเรียนนี้รู้เป็นอย่างดีว่าไม่เกิดผลอันใดเพราะเคยทดลองเปิดการสอนแผนกนี้มาแล้วและเคยประสบความล้มเหลวมาทุกคราว ทางโรงเรียนปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเงินเดือนให้เขาคืนละสองเหรียญตามที่เขาขอเขาจึงทำความตกลงที่จะสอนโดยรับค่าจ้างตามอัตราส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซนต์มากและน้อยของผลกำไรสุทธิถ้าหากมีกำไรที่จะแบ่งให้เขาได้ภายในระยะเวลาสามปีเท่านั้นโรงเรียนนี้ต้องจ่ายเงินส่วนแบ่งให้เขาเป็นเปอร์เซนต์ตกคืนละ30สิบเหรียญแทนจะเป็นสองเหรียญตามที่เขาขอในครั้งแรก หลักสูตรขยายกว้างออกไปชายหญิงในนิวยอร์กต่างได้ยินกิตติศัพท์ของการศึกษานี้แล้วต่อมาชื่อเสียงได้แผ่ขยายไปยังเมืองอื่นๆเพียงเวลาไม่เท่าใดเดลคาเนกี Carnegie, กลายเป็นคนมีนามโด่งดังในนิวยอร์กฟิลาเดลเฟียบอนติโมและต่อมาอีกกรุงลอนดอนและกรุงปารีสเนื่องจากตำราต่างๆที่ใช้สอนล้วนแต่เป็นหลักวิชาที่น่าเบื่อนายและยากลาบากในการปฏิบัติ สำหรับนักธุรกิจผู้มาศึกษาวิชานี้อย่างหนาแน่นเขาจึงจัดการแต่งมันขึ้นเสียเองเล่มหนึ่งชื่อการพูดในที่ชุมนุมหนังสือเล่มนี้ในเวลานี้เป็นตำราเรียนสำหรับโรงเรียนของสมาคม YMCA ทุกแห่งทั้งเป็นตำราเรียนของสมาคมอเมริกันแปงเกอร์และสมาคม National Credit Men ในปัจจุบันมีชายหญิงมาศึกษากับเดลคาเนกี้ทุกๆฤดูสำหรับวิชาการพูดในที่ชุมนุมมากกว่าที่ไปศึกษากับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย22แห่งในนครนิวยอร์กซึ่งมีหลักสูตรสอนวิชานี้เดลคาเนกี้ยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนสามารถพูดได้ดีเมื่อเขาคลั่งเป็นบ้าเขากล่าวว่าถ้าท่านลองชกคนที่โง่ทึ่มที่สุดในเมืองที่ขากันไกลจนเขาคว่ำลง เขาจะต้องลุกขึ้นยืนและสามารถพูดอย่างคล่องแคล่วเผ็ดร้อนและเน้นน้ำหนักถ้อยคำซึ่งอาจจะกลายเป็นคู่แข่งขันของวินเลียมเยนนิ่งไบอันสมัยที่กำลังรุ่งเรืองสูงสุดเขายืนยันว่าเกือบทุกคนสามารถพูดต่อหน้าประชาชนได้เป็นอย่างดีถ้าเขาผู้นั้นมีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความคิดเห็นอันร้อนแรงพลุ่งพล่านอยู่ภายในเขากล่าวว่า หนทางที่จะเพาะความเชื่อมั่นในตนเองก็คือจงกระทําในสิ่งที่ท่านหวาดหวั่นพรั่นพรึงที่จะกระทําแล้วบันทึกผลสําเร็จจากการกระทํานั้นไว้เป็นขั้นๆด้วยเหตุนี้เขาจึงบังคับให้นักศึกษาพูดในชั้นทุกๆครั้งที่เปิดการสอนผู้ฟังซึ่งเป็นนักศึกษาด้วยกันย่อมเห็นใจต่อความขาดตกบกพร่องเพราะต่างอยู่ในสัมเพอเดียวกันจากการฝึกหัดอยู่เสมอเป็นทางให้ผู้พูดใจกล้าไม่รู้จักประมา เพราะความเชื่อมัน่นและมีความกระตือรือร้นซึ่งช่วยให้กลายเป็นคนพูดคล่องแม้แต่ขณะอยู่นอกห้องเรียนเดลคานิกี้จะเล่าให้ท่านรู้ว่าในระหว่างหลายปีร่วงมานี้เขาเดำเนินอาชีพอย่างไรไม่ใช่โดยการสอนนักศึกษาเรื่องการพูดในที่ชุมนุมหรอกท่านเพราะนั่นเพียงแต่เป็นเหตุบังเอิญเท่านั้นเขายืนยันว่างานสำคัญอันแท้จริงของเขาก็คือการช่วยเหลือมนุษย์ให้ชนะความขาดกลัว และเพราะนิสัยกล้าหาญในครั้งแรกเขาเพียงแต่ต้องการสอนเฉพาะวิชาการพูดในที่ชุมนุมอย่างเดียวหากนักศึกษาผู้มาสมัครเรียนล้วนเป็นนักธุรกิจนักศึกษาเหล่านี้มีอยู่เป็นจํานวนมากไม่เคยเห็นความเป็นไปภายในห้องเรียนมาถึง30ปีส่วนมากของนักศึกษาชําระค่าเล่าเรียนในแบบผ่อนส่งเป็นงดงวดเขาเหล่านี้ต่างใจร้อนอยากเห็นผลการศึกษาในเวลารวดเร็ว ผลซึ่งเรียนวันนี้วันรุ่งขึ้นก็สามารถใช้ปฏิบัติในการสนทนาเกี่ยวกับการค้าและการพูดท่ามกลางที่ประชุมการค้าด้วยเหตุดังกล่าวแล้วเขาจึงมีความจำเป็นที่จะบรรดาลการสอนของเขาให้ปรากฏผลขึ้นในเวลาอันรวดเร็วดังนั้นเขาได้ใช้วิธีสอนในแบบพิเศษพิสดารกว่าใครๆกล่าวคือมีส่วนคระผสมของวิชาการพูดในที่ชุมนุมวิชาเสนอขายสินค้า วิชามนุษยสัมพันธ์และวิชาประยุกต์จิตวิทยาจากการสอนหลักวิชาซึ่งไม่ยากลำบากที่จะเรียนและนักศึกษาจะได้รับผลในเวลารวดเร็วเขาทำให้หลักสูตรของเขาเป็นสิ่งอันน่านิยมชมชื่นที่จะศึกษาซึ่งได้ทั้งประโยชน์และความสนุกสนานไปในตัวภายหลังเรียนสำเร็จมีนักศึกษาบางพวกได้จัดตั้งสโมสรขึ้น เพื่อการพบปะสนทนากันทุกๆปักเป็นเวลานับเป็นปีๆนักศึกษาหมู่หนึ่งมีจำนวน19คนในเมืองฟิลาเดลเฟียนัดประชุมกันเดือนละสองครั้งในฤดูหนาวตลอดเวลา17ปีที่ล่วงมาแล้วนักศึกษาหลายรายนั่งรถยนต์เป็นระยะทางถึง50หรือ100ไมล์ในการมาโรงเรียนมีนักศึกษาคนหนึ่งอยู่ที่เมืองชิคาโกและเดินทางมาเรียนที่นครนิวยอร์กประจาทุกสัปดาห์ ศาสตราจารย์วินเลี่ยมเยมแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคยกล่าวว่าคนส่วนมากสามารถใช้ประโยชน์สติปัญญาของเขาซึ่งซ่อนอยู่เพียงสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเดลคาเนกี้ด้วยการช่วยอบรมสั่งสอนนักธุรกิจชายและหญิงให้สมรรถภาพที่ซ่อนอยู่เจริญงามนับได้ว่าเป็นผู้สร้างความก้าวหน้าอันใหญ่ยิ่งที่สุดประการหนึ่งให้แก่บรรดาชายหญิงทางด้านการศึกษา